ตอนการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของสัตว์แปลจากนิตยสารเฟตเดือนกุมภาพันธรีศักร1970 การประหลาดที่แสดงว่าสาัตว์เดรัจฉานบางชนิดมีความสามารถในการประจักษ์เหนืออินทรีย์ได้อย่างไม่น่าเชื่อและโดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้ยังแสดงว่ามันมีความสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อีกด้วยหวังว่าเรื่องเช่นนี้คงจะเป็นเครื่องเร้าความสนใจของผู้ที่ทำการค้นคว้าในเรื่องทานองนี้มากขึ้นและในเวลาเดียวกันก็เป็นการเตือนใจให้ผู้หญิงที่อยู่บ้านคนเดียวระวังตัวมากขึ้นด้วย แม้ว่าในปัจจุบันนักปราชญาอย่างถกเถียงกันอยู่ว่าสัตว์เดรัจฉานจะสามารถมีประสาทที่6ได้หรือไม่ก็ตามแต่เหตุการณ์ก็ได้บอกให้เราทราบอยู่บ่อยๆว่าสัตว์ซึ่งเราคิดว่ามันป้ยต่ำกว่าเราในระดับของสติปัญญานั้นบางครั้งก็สามารถรู้เหตุการณ์บางอย่างได้อย่างลึกลับและดียิ่งกว่ามนุษย์เราเสียอีกต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าทราบมาจากเหตุการณ์ที่เป็นจริง โดยบุคคลที่ข้าพเจ้ารู้จักเป็นอย่างดีเรื่องนี้เกิดขึ้นนานมาแล้วคือในปี1909บิดามารดาของข้าพเจ้าซึ่งชื่อจอห์นและแมรี่อีแวนส์อาศัยอยู่ในไร่เล็กๆแห่งหนึ่งห่างจากเมืองโอริกอนไปประมาณ20่หไมล์ตอนนั้นข้าพเจ้าอายุได้11ขวบ และเอลล่าพี่สาวของข้าพเจ้าอายุได้14ขวบตามปกติเราต้องไปโรงเรียนโดยการเดินทางด้วยม้าผ่านทุ่งนาป่าเขาซึ่งในสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีผู้มาตั้งรกรากบุกเบิกกันมากมายนักดังนั้นนานๆเราจึงจะผ่านบ้านคนสักแห่งหนึ่งและบ้านชาวไร่แถบนั้นตามปกติก็จะมีรั้วบ้านกั้นอยู่ข้างนอกเมื่อผ่านรั้วบ้านชั้นนอกแล้วจึงจะเข้าไปถึงตัวบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ข้างในบริเวณและก็มีสวนล้อมรอบในระหว่างระยะทางที่จะต้องขี่ม้าผ่านไปโรงเรียนนั้นเราได้ผ่านบ้านไร่หลังหนึ่งซึ่งมีคนอาศัยอยู่สองคนคือทอมและเนลลี่เล็กทอมซึ่งเป็นชายอายุ25ปีส่วนเนลลี่ซึ่งเป็นหญิงนั้นอายุได้17ปีคือแก่กว่าเอลล่าพี่สาวของข้าพเจ้า3ปี ดังนั้นเด็กหญิงทั้งสองจึงเป็นเพื่อนเล่นที่สนิทสนมกันเป็นอย่างดีวันหนึ่งในตอนบ่ายของฤ ด, ดูใบไม้ผลิซึ่งมีอากาศดีเราขี่ม้ากลับบ้านเช่นเคยในระหว่างทางเราได้พบเนลี่ออกมาพบเราที่ประตูรั้วบ้านท่าทางตื่นตระหนกชอบกล น, นี่ เธอเห็นใครผ่านไปตามถนนสวนทางกันมาหรือเปล่าเนลลี่ถามเห็นเจ้าเธอเอลล่าพี่สาวของข้าพเจ้าตอบเราเห็นรถเทียมม้าคันหนึ่งวิ่งสวนทางไปอย่างรวดเร็วจนฝุ่นตลบเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นเหรอเนลลี่ดังนั้นเนลลี่จึงได้เล่าเรื่องอันน่าตื่นเต้นของเธอให้เราฟังซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าเหตุใดรถที่สวนทางกับเราไปเมื่อกี้จึงได้วิ่งฝุ่นตลบไปเช่นนั้น ต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เนลลี่เล่าให้ฟังด้วยท่าทางอันตื่นเต้นแสดงว่ายังไม่หายจากการตกใจดีในตอนนั้นทอมได้ไปช่วยเขาทำรั้วบ้านอยู่ในไร่ของเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อไมเออร์ซึ่งอยู่ห่างออกไปสามไมล์คือ120เส้นหรือเกือบ5กิโลเมตรสุนัขของเราพันลูผสมตัวหนึง่ง ชื่อเจ้าเชฟก็ตามทอมไปด้วยเช่นเคยสักครู่ก็มีพ่อค้าเร่คนหนึ่งเดินทางมาแวะที่หน้ารั้วบ้านของฉันพร้อมกับถามฉันว่าต้องการซื้ออะไรบ้างไหมในตอนนั้นเนื่องจากกําลังอยู่คนเดียวฉันจึงนึกดีใจว่าจะได้หาอะไรทำหรือว่ามีเพื่อนคุยแก้เหงาบ้างฉันจึงออกไปดูสินค้าที่เขานามาเสนอขายอันที่จริงฉันก็ไม่มีเงินเหลือพอที่จะซื้อของได้มากมายนัก แต่ก็ยังคิดว่าออกไปดูอะไรเพลินๆไว้สักหน่อยก็คงจะดีอย่างน้อยก็พอแก้เหงาได้บ้างพ่อค้าขายของเรกคนนี้เป็นคนหนุ่มแข็งแรงหน้าตาก็ดูซื่อๆดีและเมื่อมองดูทีแรกๆก็ไม่ปรากฏ ว, ว่ามีท่าทางเป็นผู้ร้ายแต่อย่างใดเลยหลังจากที่สนทนากันไปในระหว่างชมสิ่งของที่นํามาขายหนุ่มพ่อค้าแรกคนนี้ก็ได้ทราบว่าทอมไม่อยู่ในตอนนั้น และฉันก็อยู่แต่ลำพังต่อมาเขาก็บอกว่ารู้สึกกระหายน้ำฉันจึงเชิญให้เขาเข้าไปในบ้านเพื่อจะได้หาน้ำให้เขาดื่มด้วยความไม่ได้ระวงอย่างใดเพราะดูหน้าตาของเขาก็ไม่บอกลักษณะว่าจะเป็นคนร้ายไปได้เลยพอเขาเข้ามาภายในบ้านเท่านั้นก็เริ่มแสดงลวดลายของผู้ร้ายออกมาทันทีเขาจับตัวฉันไว้และพายายามจะลวนลามโดยไม่พูดพร่ทำทาเพลงอีกต่อไป ฉันตกใจมากเพราะคาดไม่ถึงและได้พยายามดิ้นรนอย่างสุดกำลังแต่ก็รู้สึกว่าจะสู้เขาไม่ไหวเพราะเขาเป็นคนแข็งแรงมากชั่วพักเดียวฉันก็อ่อนกำลังลงและก็คิดว่าเห็นจะหมดหวังและต้องเสียทีเขาเป็นแน่แต่ทันใดนั้นเองฉันก็เหลือเห็นอะไรอย่างหนึง่งพุพ่งครวดเข้าใส่เขาอย่างรุนแรงมันรวดเร็วมากจนในครั้งแรกฉันมองไม่ทันว่า สิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ต่อเมื่อได้สติหายงงแล้วจึงได้เห็นว่าสิ่งนั้นคือเจ้าเชฟสุนักพันุ์ลูกผสมของเรานั่นเองเจ้าเชฟกระโจนเข้าใส่ผู้บุกรุกอย่างรุนแรงทางด้านหลังทำให้แขนทั้งสองข้างของเขาที่กำลังปล้มชันอยู่ต้องคลายออกด้วยความตกใจและเจ็บปวดเจ้าคนร้ายหงายผึ่งล้มลงกับพื้นอย่างไม่เป็นท่าในขณะเดียวกันเชฟก็กัดติดและฟัดอย่างไม่บราณี มันส่งเสียงคำรามขณะที่งับและฟัดผู้บุกรุกนายสาวของมันอย่างดุเดือดในไม่ช้าก็ปรากฏว่าเลือดไหลออกมาจากร่างกายของพ่อค้าหนุ่มผู้ร้ายคนนั้นหลายแห่งด้วยกันเจ้าคนร้ายพยายามตะเกียกตะกายดิ้นรนอย่างสุดกำลังแต่ก็ปราศจากผลเพราะเชฟต่อสู้และคำรามอย่างโกรธแค้นและไม่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งตั้งตัวได้ติดเลยแม้แต่ขณะเดียวในที่สุดเจ้าคนร้ายก็ต้องยอมแพ้ แล้วร้องควรวญครางขอความช่วยเหลือให้ฉันห้ามเจ้าเชฟไว้ด้วยฉันจึงร้องห้ามเจ้าเชฟและดึงปลอกคอของมันไว้เรารู้สึกว่าถ้าปล่อยไว้เช่นนั้นต่อไปมันงคงฆ่าเขาตายจริงๆเจ้าคนร้ายกระเสือกกระสนลุกขึ้นยืนอย่างหมดแรงเสื้อผ้าฉีกขาดและเลือดไหลโศมออกมาจากบาดแผลหลายแห่งด้วยกันมันล่าถอยออกประตูไปพร้อมกับสะบดสะบ้านด่าทอเจ้าเชฟอย่างโกรธจัดไปด้วย พอออกนอกประตูร el ั้วไปมันก็กระโดดขึ้นรถแล้วรีบลงแท้ม้าควบออกไปจากที่นั้นอย่างไม่คิดชีวิตเดนลี่ได้เล่าว่าเมื่อคนร้ายออกไปแล้วเธอยังไม่หายตกใจดีในขณะนั้นก็ยังมีอาการตัวสั่นเทาด้วยความตื่นเต้นเธอได้ซุดตัวลงอกกอดเจ้าเชฟผู้ช่วยชีวิตเธอในยามขับขันเอาไว้ด้วยความซาบซึ้งอย่างบรรยายไม่ถูก และทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้ามา้าผ่านหน้าบ้านมาครั้งแรกเธอตกใจเพราะคิดว่าเจ้าคนร้ายจะหวนกลับมาอีกแต่เมื่อเห็นว่าเป็นเราเข้าเธอจึงดีใจและได้วิ่งออกมาคอยรับเราที่หน้าประตูรั้วบ้านเราสามคนพากันกอดจูบเจ้าเชฟผู้กล้าหาญซึ่งในขณะนั้นก็ยังกำลังหอบแฮกฮกด้วยยังไม่หายเหนื่อยดีเพราะมันต้องวิ่งอย่างสุดฝีเท้าข้ามเขา และบุก ป, ป่ามาเป็นระยะทางถึงประมาณ5กิโลและยังต้องทำศึกหนักอย่างสุดชีวิตอีกทันทีโดยไม่ได้พักผ่อนเลยต่อมาอีกพักหนึ่งก็มีเสียงฝีเท้าม้าปรากฏขึ้นและเราก็ได้เห็นทอมวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในบ้านท่าทางตก อ, อกตกใจเอาการเป็นไงเนลลี่เกิดเรื่องอะไรหรือเปล่านะ่เสียงทอมถามขึ้นด้วยความเป็นห่วง หลังจากที่ได้ทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทอมได้เล่าเรื่องของเขาให้เราฟังว่าเจ้าเชพได้ติดตามเขาไปยังบ้านของนายไมยเออร์เช่นเคยเพราะมันได้กระทำเช่นนั้นเป็นปกติอยู่ทุกวันในครั้งแรกพอไปถึงบ้านนายไมยเออร์มันก็ทำอย่างที่มันเคยทำทุกวันคือเดินไปเดินมาครู่หนึ่งแล้วก็ล้มตัวลงนอนกรนครอกๆ อ, อย่างสำราญใจแต่ครั้นแล้ว จูจ่ๆมันก็กระโดดลุกขึ้นตัวลอยพร้อมกับเห่าเสียงโขมโดยไม่มีปีกมีคลุยมันวิ่งเข้ามาหาทอมและร้องครางหงิ้งด้วยท่าทางชอบกลนเนื่องจากทอมกำลังทำงานยุ่งเขาจึงไม่เอาใจใส่มันเมื่อเจ้าเชฟเห็นเช่นนั้นมันก็กระโดดขึ้นและออกวิ่งทำท่าจะกลับมาบ้านของมันแต่แล้วมันก็กลับไปหาทอมอีกแต่ทอมก็ยังไม่เข้าใจความหมายเขากลับคิดไปว่ามันต้องการจะเล่นสนตามประษาของมัน จึงดุมันและผลักมันออกไปทางหนึ่งอย่างไม่ใยดีเมื่อเห็นเช่นนั้นเจ้าเชฟจึงส่งเสียงห่าครนโชคอย่างรุนแรงโดยหันหน้าไปทางบ้านของมันต่อจากนั้นมันก็ออกวิ่งจีอย่างสุดแรงโดยไม่ได้หันหลังกลับมาอีกเลยเมื่อเห็นกิริยาอาการของมันเช่นนั้นทอมก็ชักเอะใจเขานั่งทำงานไปและคิดทบทวนสักครู่หนึ่ง ก็ตกลงใจติดตามเจ้าเชฟกลับบ้านเพื่อจะดูให้รู้แน่ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเนลลี่หรือเปล่าและในที่สุดเขาก็ได้ทราบว่าเจ้าเชฟได้ทราบเหตุการณ์ร้ายล่วงหน้าและสามารถวิ่งบุกป่าฝ่าดงมาช่วยนายของมันได้ทันเวลาเราทุกคน ก้มลงรูปหน้ารูปหลังเจ้าเชฟด้วยความรักใคร่และซาบซึ้งในบุญคุณของมันอย่างสุดที่บรรยายออกมาเป็นคาพูดได้ปัญหาที่น่าฉงนของเรื่องนี้ก็คือเจ้าเชฟสามารถรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรว่าเดลลีนายสาวของมันกำลังตกอยู่ในอันตรายการที่มันสามารถรู้ถึงเหตุร้ายนี้ได้นั้นเราอาจกล่าวให้เหตุผลได้ว่ามันมีประสาทที่6หรือที่เรียกกันในปัจจุบันนี้ว่า esp คือประจักษ์เหนืออินทรีย์อันที่จริงเพียงความสามารถขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่มันทําได้ดีกว่ามนุษย์เราเป็นส่วนมากอยู่แล้วแต่นี่มันยังสามารถรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เสียอีกด้วยจึงเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นทวีคูณที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าถ้ามันไม่ได้รู้ล่วงหน้าแล้วมันจะไม่สามารถวิ่งข้ามป่าและเขา อันเป็นระยะทางถึง5กิโลเมตรมาช่วยเนลลี่ได้ทันเวลาเลยหมายเหตุเรื่องนี้เชอร์ลี่ซิปเป็นคนเขียนลงในหนังสือเฟสโดยได้รับคำบอกเล่าจากตอล่าอีแวนเด็กซึ่งเป็นน้องชายของเอลล่าในเรื่องนี้หมายเหตุของผู้แปลความสามารถในการประจักษ์เหนืออินซี ประกอบ ก, บกับการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของสัตว์เดรัจฉานนี้ในเมืองเราเคยมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาไม่น้อยเกี่ยวกับอัวและควายในโรงฆ่าสัตว์ซึ่งส่วนมากมักจะรู้ขึ้นมาเองว่ามันจะต้องถูกฆ่าตายแต่เรื่องที่รู้สึกว่าจะมีหลักฐานดีกว่านี้คือเรื่องทำนองนี้แต่เกี่ยวกับจระเข้ในฟาร์มเลี้ยงจระเข้ของประเทศไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ น, นี่เองข้อความเรื่องนี้จะทราบได้จากหนังสือ ดาราภาพฉบับวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2515เรื่องชมชาละวันซึ่งมีข้อความกล่าวว่าเรื่องเช่นนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นจริงจากจระเข้ที่เขาเลี้ยงไว้สําหรับค่าเอาหนังในประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันคือในระยะเวลา2หรือ3วันก่อนที่เขาจะทําการฆ่าจระเข้ที่เลี้ยงไว้เพื่อกรีดเอาหนังมาขายนั้น จอระแค่ที่จะถูกฆ่าจะแสดงอาการดิ้นรนกระวนกระวายอย่างหนักคล้ายๆกับจะรู้ตัวล่วงหน้าว่ามันจะต้องตายในไม่ช้าบางทีอาจจะเป็นเครื่องทำให้เราเห็นความจริงของข้อความที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพว่าต o a s are things <S คือความคิดมีตัวตนหรือเป็นวัตถุเหมือนกันก็ได้